กุณชร น, นามว่าธนะปาลกะตกมันจัดห้ามได้ยากถูกขังไว้ไม่บริพกฟ้อนย่ากุณชรระลึกถึงแต่นาขวันฝ่ายช้างเนี่ยเนึกถึงแต่แม่เพราะว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่สมาทานบำเพ็ญมาตุปิตุปทานอุปถาเลี้ยงดูบำรุงมารดาบิดาครั้งษศสดานำบุพพจริยาของพระ อ, องค์ขึ้นมาตรัสอยู่อย่างนั้นแล ลูกของพราหมณ์แม้ทั้งหมดยังอัสสุวานให้ไหลฝ่ายลูกเนี่ยพอฟังที่ตัวเองเคยประพฤติผิดกับพ่อกับแม่ใช่ไหมโอ้ขนาดช้างยงังเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ตัวเองก็น้ําตาไหลมีใจอ่อนโยนเนี่ยโสดลงสัดับหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยทรงแสดงสัจธรรมทรงประกาศอริยสัจพอจบอริยสัจนั้นทั้งพราหมณ์ทั้งนั้นก็บรรลุธรรมกัน ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายทุกการนิบาศกล่าวว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเรากล่าวการกระทาการตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือคนที่ตอบแทนได้ยากที่สุดที่จะตอบแทนได้สำเร็จมีอยู่สองท่านที่เรายากที่จะหาโอกาสตอบแทนได้สำเร็จสองท่านคือใครคือมารดานหนึ่งบิดานหนึ่ง ดูก่อนพี่สูตทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งถ้าลูกจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะตอบแทนด้วยการประคับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งนะเอาบาหนึ่งทําแทนให้แม่อยู่เลยบาอีกข้างหนึ่งประคับประคองบิดานะว่าสร้างห้องให้พ่อแม่อยู่บนบาซ้ายบาขวาเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่น ด้วยการนวดการให้อาบน้ําและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรธรรมแล้วหรือตอบแทนแก่มารดาบิดาเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสรายธิปัตด ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเก็บประการนั้นมากลายนี้การกระทากิจอย่างนั้นไม่เชื่อว่าบุรทมแล้วหรือตอบแทนแล้วแกมานดาบิดาเลยขนาดว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่บนบาซ้ายบาขวาให้ตำแหน่งพ่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่งแม่ให้เป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิการตอบแทนบุญคุณในขนาดนั้นก็ยังชื่อว่าไม่ตอบแทนบุญคุณเลย ข้อนั้นพ่อเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่ลูกทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาถ้าหากว่าจะตอบแทนบุญคนของพ่อแม่ให้สําเร็จเนี่ยจะตอบแทนคุณยังไงบอกว่าส่วนพ่อแม่เป็นผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาถ้าหากว่าพ่อแม่ ไม่มีคุณธรรมคือไม่มีศรัทธาเลื่อมสายในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกถ้าหากว่าพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้ายังไม่มีศรัทธาในคุณของพระธรรมที่ว่าเป็นสวากาโตภควะตาธรรมโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอป ie ie uh us, you. You milk, in ness, ัญิโกปัดจัดตังเวที่ดับโบวินยูฮิจิตถ้าหากว่าแม่หรือพ่อไม่มีศรัทธาในคุณของพระธรรมก็ให้พ่อแม่เนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระธรรมถ้าหากว่าแม่หรือพ่อยังไม่ตั้งมั่นเลื่อมใสในคุณของพระสงฆ์ในความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจจะทำถ้าหากว่าพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในหลักกรรมและผลของกรรม ให้พ่อให้แม่เนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในกรรมและผลของกรรมยังพ่อยังแม่ผู้ไม่มีศีลให้สมาทานตั้งมั่นอยู่ในศีลสัมปท า, าถ้าหากว่ายังไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ให้พ่อให้แม่สามารถที่จะสมาทานศีลได้ถ้าหากว่าพ่อแม่ที่ยังเป็นผู้ที่มีความตน่ยังมารดาบิดาผู้มีตณ่ให้สมาทานตั้งใจมั่นในจาระสัมปทา ถ้าหากว่ามารดาบิดาเป็นคนที่สามปัญญางโง่เขลาไม่รู้พระสัจธรรมให้สมมาฐานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาซึ่งสรุปแล้วก็คือผู้ที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้นั้น่ะ พ่อแม่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาคะไม่มีปัญญาก็ตอบแทนให้คุณของพ่อของแม่เป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาผู้ที่ตอบแทนให้พ่อแม่มีคุณธรรมเหล่านี้จึงจะชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้สำเร็จนี่ก็เป็นสูตรที่นอังคุตรนิกายทุกกนิบาตที่เอามากล่าวให้เราฟัง พูดยากเหมือนกันนะว่าสมัยที่พราหมณ์นั้นยังรุ่นรุ่นอยูนอย่นะลูกยังเล็กๆอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าพรามณ์นั้นสอนให้ลูกหนักแน่นกระตันยูไหมส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การอ บ, บรมเลี้ยงดูของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยส่วนหนึ่งถ้าหากว่าพ่อแม่คนใดไม่ตั้งมั่นอยู่ในกระตันยูกระตาเวทีต่อพ่อแม่นะลูกเขาก็จะดูเยี่ยงอย่างเหมือนกันถ้าหากว่าฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่หนักในกระตันยู ฝ่ายลูกก็จะกระตันอยู่ตามรอยของพ่อของแม่ไปด้วยแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ดีเดี๋ยวลูกก็เอาต่างเขาจึงมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีมีพ่อคนหนึ่งอ่ะ น, นะมีพ่อเนี่ยเอากระลาเนี่ยอันหนึ่งมาให้พ่อคือตัวเองเนี่ยมีครอบครัวนะมีปู่มีพ่อมีลูกมีหลือหลานเนี่ยนะสามคนเนี่ยฝ่ายคนที่เป็นพ่อเนี่ก็เอากะลาเนี่ยมา เอากะลามาขัดอย่างดีแล้วก็ให้ปู่เนี่ยไปบอกคุณพ่อคุณพ่อไปตามทางของพ่อเถอะมาขัดกะลาให้พ่อไปไอ้ลูกชายตัวเล็กๆเนี่ยยังไม่ค่อยภาษาเท่าไหร่มันก็ดูอยู่ตลอดทีวันหนึ่งมันก็เอากะลามาขัดเล่นบ้างก็บอกหนูหนูหนูขัดกะลาไปทำไมลูกก็ขัดไว้พ่อแก่ๆหนูจะเอากะลานี้ให้พ่อไปอย่างนั้นก็บอกว่าพ่อก็เลยสานึกถึงคุณของพ่ออีกครั้งหนึ่งว่าเออผู้ที่มี มีจิตเป็นพ่อเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานเนี่ยมีความนึกคิดต่อตอนเองอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเองจะมีความรู้สึกอย่างไรทำให้เรามองเห็นว่าโอ้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นถ้าไม่มีตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้ดูถึงจะสอนให้เขาเป็นคนกระตันโูกะตะเวทีคำสอนนั้นก็คงไม่มีค่าสักเท่าไหร่นะักอันในเรื่องของการที่ผู้ที่มีมารดาบิดาในวัตะสงสารอันยาวไกลเนี่ยนะ แม้แต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ในอนามัชสังยุตในสังยุตตนิกายนิทานวักพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าคือพระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีนะตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสงสาร น, นี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบือเบ้องปลายไม่ได้สังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหาเบื้องต้นต้นอยู่ตรงไหนรู้ไหมชาติที่หนึ่งเลยน่ะเราอยู่ที่ไหนรู้ไหม ถอยหลังไปหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติหกชาติเป็นแสนโกดชาติก็ไม่พ้นหรือแสนโกดชาติไม่พ้นไล่เป็นกลับเป็นหลายอสงไขยเป็นแสนโกดอสงไขก็ไม่พ้นเพราะว่าเบื้องต้นของสงสารเนี่ยไม่ปรากฏเลยแล้วก็เบื้องปลายก็กําหนดไม่ได้เราเกิดอีกกี่ชาติเราต้องเกิดอีกกี่ชาติ จะได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถามว่าชีวิตในวัฏฏะของเราเนี่ยไปจบที่ไหนหลายท่านอาจจะสงสัยถามหรือบางคนก็ไม่ถามเลยโอ้ตายแล้วมันก็จบกันอนะ่ะท่านถ้าผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วหมดเลยอันนั้นเป็นอุเฉท ท, ทิฏแต่ถ้าผู้ที่มีความสาคัญมีความเชื่อว่าหูยตั้งมัน่นถาวรเป็นอยู่อย่างนี้แหละ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกไอ้อยางนี้ก็เป็นสัสตะทิฐิแต่ผู้ศาสนากล่าวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามตามวัฏฏะสงสารเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของอะไรกระแสของชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของอำนาจหนึ่งกรรมกรรมอันนั้นแหละกรรมก็คือเจตนาใช่ไหมเจตนาเมื่อทาแล้วก็ทาให้รับวิบาก วิบากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้มีกิเลสพอกิเลสเกิดขึ้นปั๊บทำกรรมใหม่อกีกไอ้คำว่ากรรมนี้รวมทั้งดีและชั่วทั้งกุศลและอกุศลแต่กรรมที่ทำด้วยอำนาจกุศลและอกุศลส่วนใหญ่แล้วทำเพราะอำนาจของกิเลสก็ทำบุญนะ่ะส่วนหนึ่งก็อู้ปรารธนาให้ร่ำให้รวยให้มั่งให้มีให้สวยให่งามอะไรไปเรื่อยถามว่าไอ้ที่ตั้งความปรารธนาอันนี้อันนี้เป็นกิเลสไหม เป็นแต่ไอัที่บุญก็เป็นบุญนะคนละส่วนกันเพื่อที่เอาบุญเนี่ยมาเป็นการสนองเพื่อที่จะให้ได้รับบำรุงบำเรอกิเลสอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นที่สุดแห่งสังสาระนี้ไม่มีสังสาระคืออะไรล้ำดับแห่งขันธาตุอาญตนะที่สืบเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดอย่างนี้เรียกว่าสังสาระก็คือขันนั่นแหละ ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยก็เห็นบ้างได้ยินบ้างดมกลิ่นบ้างคิดนึกบ้างสลับหมุนเวียนกันไปชีวิตแต่ละวันแต่ละวันบางท่านก็บอกโอ้ยคิดอะไรมากเดี๋ยวก็เช้าแล้วเช้าเอ้ยคิดอะไรมากเดี๋ยวก็สายสายเดี๋ยวก็เที่ยงเที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายบ่ายเดี๋ยวก็ค่ำเอ้เดี๋ยวก็นอนอีกแล้นอนเดี๋ก็ตื่นอีกคิดอะไรมากก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะจากวันก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็เป็นเดือนจากเดือนก็เคลื่อนคล้อยไปเป็นปีหลายสิบปีเป็นทศวรรษไปเลย เป็นทศวรรษจากทศวรรษก็เป็นศตวตรรษจากศตวตรรษก็เป็นสหัสวรรษกลายเป็นพันพันปีเป็นแสนปีเบื้องต้นที่สุดไม่พบก็หมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดจึงไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนถามว่าที่สุดของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนใครพอมองเห็นไหมว่าที่สุดแห่งสังสาระของเราอยู่ตรงไหนพอมองเห็นไหมผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดว่า สังสาระของเราจะจบจะสิ้นต่อเมื่ออริยมรรคมีองค์แปดเจริญบริบูรณ์จึงจะตัดกระแสแห่งวัฏตะสงสารได้ถ้าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดหรือโพธิปัจฉิยะธรรมสามสบเจ็ดไม่ประชุมขึ้นไม่ต้องคิดว่ามันจะจบที่ไหนมันจบไม่เป็นนะมันก็ไปเรื่อยทีนี้ก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเจตนาพองศ์ตรัสว่า สังสาระนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่หาที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นอวิชชาเป็นชื่อของความไม่รู้ความหลงความมืดความบอดไม่รู้อะไรไม่รู้ในอริยสัจก็คิดดูว่า อริยสัจมันยากขนาดไหนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราคิดถึงคําว่าอริยสัจกี่ครั้งอ่ะถึงคําก็ได้ก็ยังดีอ่ะไม่ว่าแทงตลอดนึกถึงคําว่าอริยสัจกี่ครั้งเลยเนอะยากเต็มทีนเหมือนกันนะมีอวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องกลางกัน้นเป็นที่กลางกัน้นปกปิดปิดตาสมมติว่าเราเนี่ยถูกปิดตาสนิทแล้วก็ปล่อยให้เราเดินเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งจะถึงจุดหมายจะถึงเป้าหมายจะถึงที่หมายสักทีหนึ่ง และก็มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้โง่และยังติดอีกก็คือยึดติดในความความไม่รู้นั่นแหละก็ท่องเที่ยวไปมาอยู่เบื้องต้นหาที่สุดไม่ได้สัก์ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานี้มิใช่หาได้ง่ายเลยคนที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นญาติเป็นมิตรอะไรกันเนี่ยมันหายาก ท้องสังสารวัตมันยืนยาวนานขนาดนี้มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนปันไตยอย่างนี้ใช่ไหมผู้หญิงก็กลายเป็นผู้ชายบ้างผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงบ้างตามอำนาจแห่งแรงของกิเลสส่วนหนึ่งกรรมส่วนหนึ่งอันวิบากก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันไปถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อสัตว์ผู้มีวิชาเป็นที่กลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกไในเสวยทุกเนี่ยถ้าพรามณเนี่ยคงทุกข์แง่ๆเลยเนาะลูกไม่เลี้ยงเนี่ยมีลูกกับพอๆก็ไม่มีใช่ไหมลูกก็ไม่เลี้ยงทรัพย์สมบัติก็ไม่มีทุกข์ยากจนสุขภาพไม่ดีหาที่พึ่งที่พิงไม่ได้เนี่ยอ้ยมันทุกข์จริงๆะนะ ทุกทั้งกายทุกทั้งใจร่างกายก็ป่วยไข้มีความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตพ ภ, ภีที่เป็นป่าชาตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดก็เหลือไว้แต่ป่าช้านะทับถมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านจึงกล่าวว่าซากศพของหนึ่งคนเนี่ยนะถ้าตายแล้วเนี่ยไม่เผาไม่ฝังเอาไวท้ทีละศพทีละศพมาของตัวเองนะ มันใหญ่ยิ่งกว่าดอยสุเทพอีกนะกับหนึ่งเนี่ยศพคนเดียวพอของอตมาคนเดียวพอแล้วไม่เผาไม่ฝังเนี่ยนะสูงกว่าดอยนี่เพราะอะไรเพราะว่าสังสาระเนี่ยไม่ปรากฏเบื้องต้นเพราะาได้เพิ่มภูณปรพตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉันนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นพอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลาย พอไม่ที่จะเบื่อหน่ายในสังขาร ส, สังขารคือสังขารธรรมนะไม่ใช่สังขารขันสังขารธรรมสังขารธรรมนั้นประกอบไปด้วยรูปนามขันห้าถ้าไล่เอาภายในตัวเราเลยนะในตัวของเรามีตาไม้หนึ่งมีตาด้วยสองมีหูสามมีจมูกสี่มีลิ้นห้ามีกายกายก็ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับไตปอดพังเผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเส็ดน้ำ ม, มันข้นน้ำไขข้อน้ำ ม, มูกน้ำปัสสาวะจนถึงมันสมองในกระโหลกศีรษะนี่เรียกว่า ก, กายแล้วก็ส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นใจเนี่ยผวังขจิตที่นำเกิดนำปฏิสนธิเหมือนกันไหม ไม่เหมือนการบางคนปฏิสนธิด้วยอเหตตกะวิบากบางคนปฏิสนธิด้วยมหากุศลญาณวิปยุตบางคนก็ปฏิสนธิด้วยโสมนัสบางคนก็ปฏิสนธิด้วยยาณสัมปยุตบางคนก็อุเบขาบางคนก็โสมนัสที่เรียกว่าใจปฏิสนธิจิตเนี่ยพนะอทําให้เกิดปื๊ดก็เป็นปัจจัยให้เกิดอเหติตกจิตเป็นต้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ในตาหูจมูกลิ้นกายใจในร่างของเรามีสีไหมมีสีด้วยในตัวของเรามีเสียงด้วยไหมมีเช่นคําพูดออกมาหัวใจเต้นชีพจรเต้นก็มีเสียงอยู่ด้วยมีกลิ่นไหมโอ้ส่วนไหนบ้างไม่มีกลิ่นในกายเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเขามีเรื่องเล่าว่าปกติปลานี่กลิ่นหอมไหมไม่หอมที่มันหอมเพราะเครื่องปรุงชันใดมนุษย์ทั้งหลายก็คล้ายๆกันนั่นแหละมันหอมเพราะเครื่องปรุงเหมือนกัน มันมีกลิ่นมีรสอยู่ในด้วยแล้วก็มีโผฏพะแล้วก็มีธรรมารมณ์ในตัวเราเองเนยในตัวเองเนี่ยมีอายตนะครบทั้งสิบสองอายตนะเลยทั้งตาด้วยทั้งสีด้วยจมูกด้วยกลิ่นด้วยเป็นต้นแล้วในกายของเราเนี่ยอาศัยตากับสีเนี่ยมองเห็นตัวเองก็ทำให้เกิดจกักขูวิญญาณตาก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งสีก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งจิตเห็นที่เกิดขึ้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่ง ตานี้เรียกว่าจักขคูธาต์สีที่เห็นเนี่ยมองเห็นในผิวหนังในสีสันตัวทั้งหมดเป็นรูปธาตุจิตเห็นเป็นจักขคูวิญญาณธาตุตัวหูเป็นโสตธาตุเสียงคําพูดเนี่ยของธรรมาพูดได้ยินเองเนี่ยเสียงเป็นสัทธธาตุจิตได้ยินเสียงก็เป็นโสตวิญญาณธาตุความรู้สึกเกิดในขณะนั้นก็เป็นธรรมธาตุจมูกเป็น คานะธาตุกลิ่นเนี่ยกลิ่นตัวหรือกลิ่นนอกตัวก็ตามกลิ่นอันนั้นเป็นขันธาตุกลิ่นเป็นธาตุชนิดหนึง่งจิตที่รู้กลิ่นก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึง่งเ็าเรียกว่าคานาวิญญาณธาตุลิ้นของเราก็อย่างหนึง่งรสอาหารที่มาแตะก็อย่างหนึง่งลิ้นเป็นชิวหาธาตุรสเป็นราสาทาตุชิวหาวิญญาณที่เกิดขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุ กายเรียกว่ากายธาตุโพธภาคือเย็นร้อนอ่อนแข็งในตัวนี่ก็เป็นโพธพาธาตุกายวิญญาณไม่ว่าจะเจ็บเป็นต้นที่ในตัวเนี่ยนะจิตที่เกิดขึ้นตามทั่วสารพางกายอันนี้เรียกว่ากายวิญญาณธาตุมโนธาตุได้แก่ปัญจทวาราวชนะจิตจิตที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส จิตอย่างนี้เรียกว่ามโนธาตุเรียกว่าปัญจทวาราวชนจิตหรือจิตที่เกิดต่อจากทวิปัญจเรียกว่าสัมปติชนะจิตสัมปติชนจิตเหล่านี้ก็เป็นมโนธาตุมโนธาตุกับธรรมธาตุธรรมธาตุก็คือเจตสิกทั้งหลายที่ประกอบเจตสิกทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นรูปธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมธาตุมโนธาตุธรรมธาตุทาให้เกิด มโนวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะถามว่าโลภะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุโทสะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุโมหะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุสันติรณจิตมโนทวาราวชนาจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุมหากุศลมหาวิบากมหากิริยาก็เป็นมโนวิญญาณธาตุจิตที่เหลือที่กล่าวไปนี้ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุ เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นมโนเป็นความรู้สึกเป็นความนึกคิดมโนวิญญาณธาตุบางอย่างเป็นอากุศลถ้าเป็นโลภะโทสะโมหะก็เป็นอากุศลที่เป็นมหาากุศลบางอย่างก็เป็นวิบากบางอย่างก็เป็นกิริยาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังขารเป็นสังขารที่เกิดขึ้นรวบรวมสังขารที่เป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ พอทีเดียวเพื่อที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเหล่านี้อย่าว่าเบื่อเลยรู้จักสังขารให้มันเต็มที่แล้วกันรู้ด้วยรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปริญญาศาสอย่างชั้นต้นรู้ด้วยยาตะปริญญามีการพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเช่นตาเนี่ยปัจจัยให้เกิดตามีตรงๆเลยก็คือกรรมบริวารก็คือจิตอุตุและอาหาร สีเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารจากคูวิญญาณเกิดด้วยปัจจัยคือหนึงวัตถุก็คือตาสองอารมณ์ก็คือสีสามแสงสว่างก็เป็นอุปนิสัยให้เจตนากรรมในอดีตก็เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังขารสังขารเหล่านี้เนี่ยเกิดด้วยปัจจัยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หามีไม่มีแล้วก็ หมดไปท่านจึงบอกว่าท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นของที่เจ็บไข้เป็นของที่อาภาษเป็นของที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความแก่เป็นธรรมดาเป็นของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเป็นของที่มี ความตายเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นของที่อาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโซกปริเทวะทุกโทมณตกุปายาเป็นธรรมดาถ้าพิจนารณาลักษณะบ่อยๆก็พอเพื่อที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อที่จะหลุดพ้นถ้าหากว่ารู้จริงในสิ่งเหล่านี้พอเพื่อที่จะถอนตัวออกจากสังสาระอันนี้ ถอนจิตออกจากสังสาระอันนี้ในขณะเดียวกันนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วถอนออกจากพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านจงถอนราคะเหมือนกับคนถอนดอกบัวถอนความยึดถือในสิ่งเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันแต่ก่อนที่จะถอนได้ต้องรู้จักในสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังข้อปฏิบัติในเบื้องต้นก็เพื่อละความไม่รู้ เพื่อละอวิชชาจนรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าสัพเพสังขาราอานิจจติยะทาปัญญายะปสติอะทานิพินติดุเขเอสมโควิสุทิยาเมื่อใดบัณฑิตบุคคลผู้มีปัญญาตามเห็นสังขารเหล่านี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเขาจะเหนื่อยหน่ายในทุกสิ่งเหล่านี้คือทุกในสิ่งที่ตนหลง ตัวปัญญาที่เหนื่อยหน่ายปัญญาที่เบื่อหน่ายในทุกในสิ่งที่ตนหลงเหลนน่านี้ความเบื่อหน่ายอันนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อันนั้นก็คือนิพพานนั่นเป็นทางแห่งความบร mm ิสุทธิ์เมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพาน เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นธรรมะทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเหนื่อยหน่ายในทุกขในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นเป็นทางแห่งพันิพาธถ้าหากว่าเรามีการพิเคราะห์พิจารณาบ่อยๆอบรมเจริญปริญญาเป็นต้นเหล่านี้โดยอาศัยศรัทธาเป็นพื้นฐานโดยอาศัยศีลเป็นเหมือนกับแผ่นดินอาศัยสมาธิ คือเปรียบเหมือนหินลับขวานคือปัญญาสามารถที่จะค้นต้นอวิชชาลงได้เพราะฉะนั้นสาตร์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอันยาวนานอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งเกิดเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ไม่มีลูกไม่มีล้านคอยดูแลเอาอกเอาใจทุกไม้ก็ทุกข์อีกนั่นแหละพอเป็นลูกเกิดมาเป็นลูกกัมพรายาจกเข็นใจก็ไม่มีพ่อ ม, มีแม่ดูแ ล, แลก็อยู่สถานสงเคราะห์เป็นคนกัมพระ เกิดมากําพร้าพ่อกําท้าแม่ก็ทุกข์เป็นทีแล้วใช่ไหมไปมีลูกมีหลานลูกหลานก็ออกไปหมอ้ดอีก็กําพ้าลูกกําพ้าหลานไปอีกโอ้ยชีวิตเกิดมาช่างอาภัพจริงทุกข์จริงๆอะเนาะมีแต่ความกําพร้ามีแต่ความแห้งแล้งห่อเหี่ยวโดดเดี่ยวโอว่าตาสงสารเนี่ยเดินทางมาคนเดียวนะดูเหมือนมานั่งรวมตัวกันอยู่ร้ายคนแต่คิดกันคนละเรื่องทุกคนไม่คิดเหมือนกันสักคนเลยอะเพราะฉะนั้นจะว่ามีเพื่อนก็มี เขาเป็นเพื่อนโดยอารมณปัจจัยเป็นเพื่อนโดยอุปนิสัยปัจจัยแต่ส่วนที่เหลือส่วนที่เป็นสหาชาตรธรรมสหาชาตปัจจัยชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมีดูเหมือนเยอะถ้าเราเหงาก็เหงาอยู่คนเดียวนั่นแหละถึงจะมีคนเยอะๆเราก็ยังเหงาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะสภาพของจิตมีอยู่แค่ดวงเดียวไม่มีใครมีความคิดมาแทกความคิดเราได้ก็มีแต่ความนึกคิดเป็นไป ชีวิตก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาเรื่องของชีวิตให้เห็นความจริงอันนี้ขึ้นในชั้นต้นเพื่อเราศึกษาเข้าใจชัดขึ้นเราจะมองเห็นชัดว่าชีวิตของเราทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเหล่านั้นก็คือกรรมเป็นต้นกรรมนั่นแหละเป็นตัวเป็นปัจจัยที่ทำให้เราประมาทไม่ได้จริงอยู่ชีวิตคือสังขารเหล่านี้เนี่ย เป็นของไม่เที่ยงไม่คงทนไม่ทาวรนไม่แน่นอนเกิดแล้วก็เสื่อมสิ้นสลายไปแต่ถ้าหากว่าไอ้ไม่เที่ยงนี่แหละถ้าทําบาปแล้วมันให้ผลเจ็บนะักถ้าทําบุญก็ให้ผลมากมายมหาศาลเหมือนกันมันแล้วแต่เจตนาเหมือนกันนะจริงอยู่เจตนาก็ไม่เที่ยงแต่ไอ้ความไม่เที่ยงนั่นแหละมันแสบเจตนาตัวนั้นถ้าไอ้ความไม่เที่ยงนั่นอ่ะเป็นบุญบุญก็อํานวยอวยผลให้เป็นความสุข ถ้าเป็นบาปไอบาปที่มันหมดไปแล้วนะ่ะมันให้ผลมาเจ็บแสบปวดร้อนเพราะฉะนั้นเจตนาคือสิ่งที่เรากาลังทำคำําที่เรากาลังพูดสิ่งที่เรากาลังคิดอยู่ในขณะนี้ถ้าเราสามารถเลือกแยกเลือกแยะสามารถที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติได้สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเราเกิดมาในในที่ที่สังขารมันไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงของสังขารเหล่านี้ เราจะน้อมสังขารเหล่านี้ให้เป็นบุญได้ไหมมันไม่เที่ยงแต่น้อมไปเพื่อบุญก็ได้แต่บาปไม่ต้องน้อ ม, มเป็นปกติอยู่แล้วไม่น้อมมันก็เป็นอยู่แล้วแต่บุญเนี่ยต้องน้อมต้องอบรมต้องเจริญต้องพอกพูนรีบเจริญคุณงามความดีเหล่านี้เหมือนกับคนที่กำลังถูกไฟไหม้บนศีรษะเขารีบดับไฟที่ไหม้บนหัวฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วควรที่จ ะ, สะแสวงหาบุญ สแสวงหากุศลแสวงหาคุณงามความดีเอาไว้มากๆเพราะว่าชีวิตต่อไปนะี่ก็ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าบุญกุศลเหล่านี้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจใช่ไหมเวลาเราไปสวดพระพิธามเมื่อกี้เห็นใช่ลากศพมาไม่หมใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวภาคก็ไปสวดใช่ไหมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาปยากตาธรรมมาแปลว่ากุศลธรรมมาแปลว่าสภ า, า, า, า, า, าวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลมีอยู่ อกุสลาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุสลมีอยู่อัพยากตาธรร ม, มาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุสลและอกุสลมีอยู่กาตเมธรรมากุสลาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุสลเนี่ยเป็นไนเป็นยังไงไอ้กุสน่ะกามาวจรังกุสังจิตตังอุปนงังหูเตกามาวจรกุศล กามาวจรกุศลเนี่ยที่เป็นจิตจะเกิดขึ้นเนี่ยนะอุปนางโหติโสมนัาสสหะคตังในขณะนั้นถ้าจิตเป็นมหากุศลต้องเป็นจิตที่หนึ่งเป็นไปกับโสมนัสยาณสัมปยุตังมีปัญญาประกอบรูปารมณังวามีสีเป็นอารมณ์กุศลมีสีเป็นอารมณ์สัทธารมณังวามีเสียงเป็นอารมณ์ คันธารมณังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์ในสวดเผื่อวันไปถึงวันนั้นเราไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วโยม่วันที่เรานอนฟังไม่มีโอกาสนี้ฟังไว้เป็นๆเนี่ยฟังไว้ก่อนคันธารมณังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์รัสรามณังวามีรสเป็นอารมณ์โพธารามณังวามีโพธิะเป็นอารมณ์ธรรมารามณังวามีธรรมะเป็นอารมณ์ กุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมะเป็นอารมณ์เนี่ยกุศลธรรมเหล่านี้มีสีเป็นอารมณ์จะเกิดได้เพราะหนึ่งปรารภทานมีสีเป็นอารมณ์